สวัสดีครับท่านสาธุชนที่เคารพทุกท่านวันนี้ก็เป็นวันที่สองของการอบรมก็จะพูดเรื่องราวของหลักในการเจริญวิปัสนากรรมาฐานต่อจากที่ได้พูดไปแล้วเมื่อคือนนี้เมื่อคือนนี้เราได้ทำความเข้าใจกันว่าว่าวิปัสนานี่เป็นการอบรมปัญญาของเรา ให้รู้เท่านันโสสภาวะจำจำความจิงก็รู้รูปรูปร้นามธรรมชาติที่เป็นความคิงเห็นรูปนามนั้นเกิดขึ้นระดับไปโดยความเป็นใส ย, ยักษ์รับอากาศความไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนาาัตตาพระนริปัสสนานี้บาอกว่าเป็นชื่อของปัญญาที่เข้าไปรู้ไปเห็นเห็นรูปนามในตัวเรา เ, เกิดดับเกิดดับเป็นธรรมดาครับ จากการเห็นความเกิดดับนั่นแหละก็ได้ประโยชน์ได้ประโยชน์ทำให้ละวางปล่อยวางละกิเลสต่างๆทั้งหลายเึ้นได้มีลวิปลาสธรรมเป็นต้นวิปลาสเขาเกิดจากจิเลสความเห็นผิดด้วยอำนาจของทิฏฐิและความยึดมั่นในด้วยอานาจของกันหา้าก็ทำให้เกิดความเข้าใจผิดเห็นผิดในสิ่งที่เป็นความจริง สีอย่างเห็นว่ารูปเป็นของสวยงามเห็นว่าเวทนานั้นเป็นสุกรูปนามขันห้าของเราเป็นสุขเห็นว่าจิตนั้นเที่ยงเห็นว่ารูปนามขันห้าเป็นอัตตาตัวตนเป็นธรรมอันนี้ก็เป็นความเห็นผิดที่จะต้องแก้ไขที่ท่านบอกว่านี่เป็นตัวความเห็นผิดเป็นด่านแรกที่จะปิดบังไม่ให้บุคคลไป เแค่ไปแจ้งพระนิพพานวันนั้นวิปัสสนาก็มีประโยชน์ในการลักวิพัลลัสธรรมและก็ทําให้หมดจดจากกิเลสทําให้แจ้งพระนิพพานพ้นจากวัตถุกนี่เป็นหลักหลักคํำสอนในพระศาสนาและหลักปฏิบัติในพระศาสนาที่ประสงค์จะให้พุทธบริษัททั้งหลายนี่หมดจดจากกิเลสถ้าเราหมดจดจากกิเลสได้ก็พ้นทุก ปทุกน่เกิดจากกิเลสของเราเองส่วนข้อสามว่าอารมณ์ของวิปัสนาเนเราก็ได้กล่าวไปแล้วว่าต้องเป็นสัจธรรมเป็นปรมัตธรรมที่เป็นความจริงอารมณ์ของมิปัสนาเนี่ยไปเอาสมมติบัญญัติอย่างอื่นมาไม่ได้ต้องเอาปรมัตธรรมที่มีอยู่ในโลกนี้แหละก็ได้แก่รูปนามนัน่นเองหรือได้แก่จิตเจตสิกรูป หรือบางทีท่านก็เรียกว่าขันห้าที่เรายึดกันว่าเป็นตัวเราเนี่ยบอกว่าที่สวดมนต์มาเมื่อกี้นี่บอกว่ารูปูปาทานขันตตขันนั้นเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือรูปวเวทนปาปาทานขันโตขันนัเป็นที่ตั้งแห่งความยึดมั่นคือเวทนาเราติดในรูปกายเราก็สวยติดเวทนาติดสุขกันอยู่เราปรารถนาความสุขอยู่ติดความจําได้หมายรู้ เราจำให้สิ่งที่จะเป็นอารมณ์ของกิเลสเนี่เราจำแม่นจำแม่นยำเด็ดเดวแล้วก็ติดอยู่ในการระทำบุญทำบาปกันตลอดกระทั่งจิตในการที่จะมีจิตหรือมีวิญญาณอยู่นี่เราติดอยู่ในรูปนามขันอาเพราะนั่นพระพุทธองค์ให้เราเรียนให้รู้ความจรงิงว่ารูปธรรมนามธรรม ท, ที่เป็นความจรงิงอันมีอยู่ในตัวเราเนี่ย มันมีจริงอย่างที่เราเคยยึดถือไว้ผิดผิดไหมรูปเราสวยไหมรูปกายจิตใจเรามีความสุขไหมจิตเราเที่ยงไหมเนี่ยรูปนามขันห้าเราเป็นอัตตาตัวตนหรือไม่ตั้นให้ดูความจริงเพราะเหตุนั้นเราก็ต้องศึกษาอารมณ์ที่เป็นความจริงเป็นสัจธรรมเราเรียกว่าเป็นอารมณ์ของปัญญาเป็นอารมณ์ของปัญญานั่นเอง เพราะความจริงนั้นธรรมชาติที่เป็นความจริงนั้นเขาไม่วิปริตพันแปรไปไม่เปลี่ยนแปลงไปเป็นตราการอื่นโดยคุณสมบัติประจําตัวของเขามเปลี่ยนแปลงเขามีคุณสมบัติประจําตัวอย่างไรก็ทรงคุณสมบัติไว้จนกว่าจะผูกพังจนกว่าจะพินาศไปนี่เพราะนั้นเรื่องอารมณ์ของวิปัสสนานี่เราจึงต้องเรียนรู้กันเรียนรู้รูป ร, รูนาม หรือเรียนเรื่องจิตเจตสิกรูปกรนีถ้าพุทธบริษัทไม่เรียนไม่เรียนรู้เรื่องนามเรื่องรูปจิตเป็นยังไงเจตสิกปเป็นยังไงเนี่ยเราก็ไม่สามารถที่จะนำเอาเอานามเอารูปที่มีอยู่ในตัวเราเนี่ยไปตั้งเป็นอารมณ์ให้สติปัญญาเข้าไปตามอ่านตามรู้ได้ไม่รู้จะดูที่ไหนอย่างไรแม้เราเข้าใจรูปเข้าใจนามแล้วละ่ะเวลาจะกาหนดอารมณ์เนี่ จะดูรูปนี่ยังไม่รู้จะดูรูปตรงไหนดูนามไม่รู้จะดูนามตรงไหนอันนี้ก็เพราะยังไม่เข้าใจในวัตถุธรรมที่เป็นความจริงมีอยู่ประเหตุนั้นจึงต้องเรียนรูปเรียนนามและรูปนามที่เราจะศึกษาเราเรียนกันเนี่ยโดยสังเขบก็คือกายเราเนี่ยกายเราทั้งหมดเนี่ยเป็นรูปใจทั้งหมดเนี่ยเป็นนามใจก็จิตกระเจจะสิกร่วมกัน เราไม่ได้มีตำพังไม่ได้มีลําพังแตจิตอย่างเดียวจิตนั้นเขาประกอบด้วยเจตสิกธรรมซึ่งมีทั้งเจตสิกฝ่ายดีเรียกว่าโสภณะเจตสิกและเจตสิกฝ่ายชั่วอกศุศลเจตสิกนี่แหละเราจึงต้องรักษาจิตของเราไว้ให้ปลอดภัยจากกิเลสและสามารถให้หมดจดจากกิเลสได้แล้วแล้วก็เราก็พ้นทุกข์แน่นอน ถ้าตราบใดเรายังไม่สามารถที่จะละกิเลสได้หมดสิน้นจากขันธทังสามดานของเราแล้วตราบนั้นแหละเราก็ยังจะต้องเวียนเกิดเวียนตายอยู่ในวัฏทุกอยู่ยังไม่มีที่สิ้นสุดเพราะนั้นในข้อสี่บอกะธรรมที่จะอุปการะแกวิปัสสนาก็ได้แก่ขันห้าวิปัสสนาภูมิบุกนันล อย 12, ายตนะสิสสบสองธาตุสิบแปดอินทรีย์ยี่สิบสองสัจจะสี่ปฏิจจสมุบาติองค์สิบสเพราะนั้นพวกเหล่านี้ท่านอธิบายขยายความออกมาจากนามจากรูปนั่นเองแกนทรรมจริงๆก็คือนามกับรูปนั่นใจ ก, กับกายกายกับใจเราเนี่นเป็นความจริงแต่กายรูปกายนั้นนะรู้อารมณ์ไม่ได้ ธรรมชาติของรูปธรรมนั่นรู้อารมณ์ไม่ได้เขาจะเป็นปัจจัยให้ในการรู้อารมณ์ได้เขาต้องแตกดับย่อยยับทำลายไปด้วยอำนาจของอุตุอำนาจของความร้อนบักความเย็นบักซึ่งมีประชุมกันอยู่ในร่างกายของเราท่านทั้งหลายเนี่ยมีธาตุดินน้ำไฟลมสีกลิ่นรสโอชาแล้วก็มีภาษาทะลุมีภาวะรูปในร่างกายของเราแต่และบุคคลบุคคลมีรูปอยู่คนนะยี่สิบเจ็ดรูป ทั้งหมดมียี่สบแปดเเวน้นเว้นภาวะรูปไปอย่างนั้นน่งผู้ชายก็ไม่มีอิทธิภาวรูปผู้หญิงก็ไม่มีปุริสภาวะรูปนอกนั้นทั้งยีสิบรูปนี่เกิดขึ้นกับเราได้แต่รูปเหล่านี้ทั้งหมดนะรู้อารมณ์ไม่ได้แต่ว่าช่วยให้จิตรู้อารมณ์ได้และช่วยจิตให้ทํากิจการงานเป็นการทําการพูดการคิดนั่นช่วยเราได้อันนี้ก็ เป็นสภาพรูปธรรมที่เป็นความจริงนั่นรูปกายของเราแต่เราดูเหมือนเหมือนว่าจะรู้รู้อารมณ์ได้ใครมาสกิดตัวเราปุ๊บเราก็รู้รู้สึกได้รู้สึกตรงที่ถูกสกิดนั่นแต่ความจริงเอกรูปกายที่ถูกสกิดนั่นอ่ะไม่ได้รู้หรอกไอ้จิตมันเข้าไปรู้ท่านเรียกว่ากายยะวิญญาณจิตจิตเขารู้การสัมผัสถูกต้องทางกายใอ้รูปเข เป็นฐานรองรับเป็นที่ประชุมของกายยะประสาทเท่านั้นเองส่วนนามธรรมนี่เป็นธรรมชาติที่รู้อารมณ์ไม่มีรูปร่างสีสันวัตนาอย่างที่ได้กล่าวไปแล้ว่ะในธรรมบทท่านบอกว่าทุรังธรามังว่าไปได้ไกลเนี่เอกาจรังไปดวงเดียวด้วยอาสริรังไม่มีรูปร่างสีสันวัตนะนามธรรม คู่หาสยามมีถ้าเป็นที่อาศัยคู่หาสยามก็มีวัดผูกเป็นที่ตั้งที่อาศัยท่านบอกให้รักษาจิตเอาไว้ทุรังคำมังนี่เราก็เข้าใจผิดกันคิดว่าจิตน่ะไปไกลแต่จริงๆไม่ใช่จิตก็อยู่ที่ทวารอยู่ที่คูหาอยู่ที่ตาหูจมูกริมกายที่ใจแล้ว ที่เราเห็นได้เนี่ยเพราะแสงสว่างแสงสว่างเข้าไปกระทบวัตถุรูปภายนอกแล้วแสงสว่างนั้นก็ส่งคลื่นแสงมาเข้าตาการเห็นนี่แหละไม่ใช่จิตละไปจิตก็อยู่ที่รับกระทบผัสสะเวทนาสัญญาเจตนาเอกะกะตาชีวิตินทรีมณสิการะเ้าประชุมกันอยู่ที่จักรุปสัตว์อาศัยจิตจักร ว, วิญ ญ, ญาณจิตเกิดเห็นที่ตาจิตไม่ได้ไปออกไปนอกตัวเรา เสียงก็เช่นเดียวกันของแข็งต่อของแข็งกระทบกันแล้วเข้าอาศัยช่องว่างคลื่นเสียงก็ส่งมาตามคลื่นเสียงน่ะอาศัยช่องว่างเดินทางเข้ามากระทบกับช่องว่างในหูล่ะแต่ถ้าเรามีวัตถุไปอุดตันในช่องหูจแล้วเราก็ไม่ได้ยินต้องมีช่องว่างวิวัลลัการมีช่องว่างเข้าไปให้คลื่นเสียงนั้นกระ ท, ทบกับประสาทหูได้ เราไม่ได้ยินเสียงนกเสียงกาที่เกาะอยู่บนต้นไม้จริงไม้แล้วแต่ว่าเสียงนั้นมาร้องเข้าหูเรานั่นเองเราก็มณนัศการให้ตรงอารมณ์นามาธรรมเนี่ยเป็นธรรมชาติที่รับรู้อารมณ์ได้ทีละอย่างรับรู้อารมณ์ได้พร้อมๆกันไม่ได้ถึงว่าเอกะจรังไปดวงเดียวเนี่ยหมายถึงว่ารับอารมณ์ได้ทีละอย่างเห็นก็ขณะหนึ่งได้ยินก็ขณะหนึ่งได้กลิ่นรู้รสก็คนละขณะ แต่จิตนั้นเกิดดับรวดเร็วเรารู้ไม่ได้ไหลไม่ทันจึงมีความสําคัญผิดคิดว่ามันรู้พร้อมๆกันอย่างนั่งดูโทรทัศน์เราดูโทรทัศน์ตาก็าเห็นหูก็ได้ยินด้วยนึกว่าการเห็นการได้ยินนั้นเกิดพร้อมกันที่จริงไม่พร้อมกันครับแต่ว่าเขาเกิดดับรวดเร็วเขาสลับกันทําหน้าที่กันจิตชุดหนึ่งก็ทําหน้าที่เห็นอีกชุดหนึ่งทําหน้าที่ได้ยิน เห็นได้ยินนี่ก็สลับกันเลยไปแล้วใจก็รู้บัญญัติอารมณ์รู้พระเอกนางเอกอะไรจต่ตัๆทั้งหลายหรือรู้เพลงลูกทุ่งไม่ใช่ลูกทุ่งอะไรนี่ใจมันก็รู้ตามไปความรวดเร็วของจิตนั่นเราต้องอาศัยทวานตาหูจมูกลินกายใจเกิดเท่านั้นเองออกไปนอกตัวเราไม่ได้พิสูจน์ง่ายๆว่าเราหลับตาปุ๊บเนี่ยเห็นไหมไม่เห็นลืมตาเมื่อไหร่ ไอ้คลื่นแสงนั่นอะที่มันะสะท้อนสะท้อนถูกวัตถุน้ำเข้าตาแล้วก็เห็นสิ่งนั้นเป็นรูปร่างสันฐานนี่คือธรรมชาติของจิตเขาเขารู้อารมณ์แต่ไม่มีรูปร่างสีสันวันถะที่จะบอกว่าจิตเห็นรูปร่างยังไงได้ยินมีลักษณะยังไงมีสีสันยังไงบอกไม่ได้เพราะอสศริรังไม่มีรูปร่างสันฐานแต่อย่างไรก็ตามเขาต้องมี ทวารหรือมีวัตถุเป็นที่ตั้งที่อาศัยของครับจะหลุดออกไปเป็นเอกเทศไม่ได้ไมาอยู่ที่ตาก็ะโยดที่ประสาทหูมาอยู่ประสาทหูก็อยู่ประสาทจมูกมาอยู่ที่ประสาทจมูกก็ยังอยู่ประสาทลิ้นมาอยู่ที่ประสาทลิ้นก็อยู่ที่ประสาทกายไม่อยู่ในภาษาทะลุทั้งห oui. well ้าก็อยู่ที่หัตถ์ยวัตถุที่ตั้งที่อาศัยภายในจิตของเราออกนอกตัวเราไปไม่ได้นะอันนี้ก็ฝึงทราบ นามรูปนั้นมีอยู่ที่ไหนบอกมีอยู่เกลื่นกลนไปหมดอารมณ์บุกอารมณ์คือธรรมชาติที่ถูกจิตรูน้นี่มีหกอย่างหนึ่งรูปอารมณ์แสงสีต่างๆนี่ที่เราเห็นได้แสงสีต่างๆในรูปอารมณ์นั้นเป็นรูปสองสัทธารมณ์เป็นเสียงคลื่นเสียงเสียงนี่เรามองไม่เห็นเป็นรูปเหมือนกันแหละแต่ว่าอาศัยของแข็งต่อของแข็งกระทบกัน ทำให้เกิดความสั่นสะเทือนของอากาศขึ้นมาเป็นคลื่นเสียงเนี่ยผมข้ะโต้เนี่เป็นคลื่นเสียงไอ้คลื่นเสียงก็ลอยไปตามอากาศไปเข้ากระทบประสาทหูทำเป็นรูปคลื่นเสียงเนี่ยเป็นรูปพอหยุดข้อก็ไม่มีหรือข้อเบาๆไม่ได้ยินคลื่นเสียงมันไปไม่ถึงเพราะฉะนั้นคลื่นเสียงสัทธาเนี่ยเป็นรูปกลิ่นนี่ก็เป็นรูปกลิ่นนี่รู้ชัดหน่อยมันอาศัยลมมาตามลม คนอยู่เหนือลมไม่ได้กลิ่นแต่อยู่ใต้ลมจะได้กลิก่นกลิ่นมันลอยโชยมาตามลมเราสูดเข้าไปในจมูกกระทบกับคานาพสาทก็รู้กลิ่นนี่รูปรูปนามเนี่ยเขาปรากฏขึ้นให้เรารับรู้ได้ทางตาหูจมูกรินกายและใจเพราะฉะนั้นอารมณ์ทั้งหกคือรูปเสียงกลิ่นรสพุทธพารมณ์เนี่ยได้แก่รูปที่เป็นอารมณ์ฮะเจ็ดรูป 5, เขาเรียกวิเสยรูปเจ็วันนะรูปสัทธารูปคัณทะรู ป, รปละสารูปปฐวีเตโชวายโรูปเรียกว่าวิเสยรูปเจ็ในอารมณ์อารมณ์มที่หมีทั้งรูปทั้งนามจิต ท, ทั้งหมดเจตสิกทั้งหมดสุขุมารูปนิพพานนี่เป็นเป็นธรรมารมณ์ธรรมารมณ์นี้ไม่เดทรู้ได้ด้วยตาหูจมูกลิ้นกาย แต่รู้ได้ด้วยใจเราเคยเห็นเคยได้ยินมาเคยศึกษาเราเรียนมาเราก็เก็บจำอารมณ์ต่างๆเหล่านั้นไว้ไมาคิดนึกได้ด้วยใจอย่างตัวหนังสือต่างๆทั้งหลายที่เราเรียนตั้งแต่กอถึงฮอนี่เราจำได้เรารู้ได้ด้วยใจนี่ถึงแม้ว่าไม่เห็นก็จำได้หรือสูตรคูณที่เราท่องเนี่ยเราไม่ต้องดูหรอกเราจำได้แล้วก็คิดนึกตั้งใจนี่เป็นบรรัญญัติ สองหนึ่งสองสองสองสี่นี่เป็นบัญญัติอารมณ์ที่เราท่องจำขึ้นมาครับนี่เรารู้ได้โดยใจไม่ได้อาศัยตาหูจมูกริ่งกาย่ะแต่อาศัยใจคิดนึกนี่ก็คือใจเนี่ยรู้ได้ทั้งรูปทั้งนามคราวนี้รูปนามนั้นอยู่ที่ไหนรูปนามบอกว่ามีอยู่ในอารมณ์ผูกดังกล่าวแล้วเนี่ยทั่วไปในแสนขวดจักรวาลแต่เราไม่ต้องไปหาดูที่อื่นละ ดูที่ตัวเราเนี่ยดูที่ตัวเราเนี่จะได้ความรู้ในอารมณ์ุกอย่างหมดมีทั้งรูปทั้งเสียงทั้งกลิ่นทั้งรสทั้งผูดทั้พารมทั้งธรรมอารมณ์อยู่ที่ตัวเราก็ห <c oughs> มายถึงว่าอยู่ที่ตัวเราแม้ในอิริยาบถอิริยาบถนี่เป็นธรรมอารมณ์นั่งนอนยืนเดินเนี่ยเรารู้ได้โดยใจไม่ได้รู้ได้โดยสัมผัสเรารู้ได้โดยใจรูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินเนี่ยเรารู้ได้โดยใจ นามรูปปรากฏให้รู้ได้ที่ไหนนามรูปเขาปรากฏให้เรารู้ได้ขณะขณะที่เรารับรู้อารมณ์ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายและทางใจนั่นแหละอารมณ์ที่เรารับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายและใจนะ่ไม่ใช่อารมณ์อย่างอื่นที่นอกจากนามจากรูปไปเลยแต่เรามาสมมติบัญญัติกันเป็นอย่างอื่นใชมนุษย์เรามาสมมติบัญญัติไปอย่างอื่นใช เพื่อประโยชน์ในการใช้สอยหรือพูดจา ก, กันให้เข้าใจได้แต่ว่าธรรมชาติเขาเนี่ยก็มีแต่รูปกับนามนั่น แ, แหละเช่นเป็นต้นว่าอารมณ์ที่ปรากฏขึ้นทางตาเนี่ยสีต่างๆจะขูดประสาทกับรูปจะขูดประสานตรูปนี่เป็นรูปสีก็เป็นรูปสีกับประสุจะขูดประสานมากระทบกันรูปกับตามากระทบกันเห็นก็เกิดขึ้น เพราะนั่นขณะที่เห็นรับอารมณ์ตามทวารตาที่เห็นเนี่ยมีรูปนามปรากฏขึ้นต่างๆท่านเรียก ว, ว่าขันห้าเนี่ยทิศเราเห็นปุ๊บเนี่ยรูปประขันนามขันเขาเกิดขึ้นแล้วนะ่ะรูปนามประชุมกันที่จักรุปรสารสขันห้าประชุมกันแต่ว่าเราไม่รู้หรอกที่เห็นเราไปติดอยู่แค่สมมติบัญญัติที่เราสมมุติกันเป็นคนเป็นศัตว์เป็นวัตถุสิ่งของเป็นผู้หญิงผู้ชายไป เป็นพระเป็นจีไปนี่เราไปรู้ในสมมุติบัญญัติแต่โดยปรมัตดนี่เรายังเข้าไม่ถึงเพราะฉะนั้นในการปฏิบัติเนี่ยเราไม่เอาไม่ติดอยู่แค่เพียงอนุนิมิตอนุพยัญชนะเราจะไม่ติดอยู่แค่บัญญัติเราต้งองย่างไปถึงปรมัตดที่เป็นรูปอะไรเป็นนามอะไรเพราะฉะนั้นเวลาเห็นเนี่ยรูปนามเนี่ยเขาประชุมกันแต่เราเห็นเป็นดอกไม้เป็นคนเป็นสัตว์เป็นต้นไม้ เป็นมะม่วงเป็นลองกองอะไรต่างๆทั้งหลายเห็นเป็นอาหารต่างๆนี่เป็นสมมติบัญญัติที่เรารู้กันอยู่โดยทั่วไปแล้วบัญญตัติสมมติบัญญัตินี้เป็นอารมณ์ให้แกกิเลสเป็นอารมณ์ให้แกกิเลสเดี๋ยวเราเข้าไปรับประทานอาหารพอเห็นอาหารเท่านั้นแหละชอบใจไม่ชอบใจมันเกิดขึ้นแล้วชอบใจไม่ชอบใจเกิดขึ้นแล้ว นี่แหละการรับรู้อารมณ์ของเราเนี่ยถ้าเรารู้ความจริงรู้แค่สักว่าเห็นแต่นาเห็นเห็นอะไรเห็นสีต่างๆไอ้กิเลสมันก็เกิดไม่ได้ถ้าไปรู้ตรงความจริงแล้ว เ, เราไม่รู้ว่าไอ้สิ่งที่เห็นนั่นเป็นประโยชน์เพื่ออะไรเพื่อให้เราได้รับประทานหรือให้ดมกลิ่นหรือให้ลิมรสหรือให้ถูกต้องสัมผัสอันนี้ก็เป็นสภาพที่เราควรจะต้อง ทำความรู้ความเขา้าใจกันเพราะฉะนั้นเวลารับอารมณ์ทางตานี่รูปนามก็ประชุมกันขันห้ารูปพารมณ์จกกักขุปาทนี่เป็นรูปประขันที่เห็นกับจักขุวิญญาณกับเจตสิกที่ประกอบเน่ย น, นามขันสี่มีจักขุวิญญาณมีผัสสะมีเวทนามีสัญญาเจตนาเอกะ ก, ะกะตาชีวิตินสีมนสิกันนามขันสาม เวทนาขันสัญญาขันและสังขันละขันก็นประชุมกันตกลงเป็นขันห้าประชุมกันในทางหูก็เช่นเดียวกันรูปนามเขาปรากฏทางหูเวลาเราได้ยินเสียงเสียงเป็นรูปโสตประสาทเป็นรูปได้ยินเป็นนามเขาประชุมกันแต่ถามให้รูปนามที่เขาประชุมกันให้เราเห็นเราได้ยินเนี่ยวันหนึ่งวันหนึ่งเรารู้สักครั้งหนึ่งไหม ว่าเป็นรูปอะไรเป็นนามอะไรไม่รู้เลยนี่แหละตอนนี้เราจะเข้าไปพิสูจน์เราจะเข้าห้องแล a บเข้าเข้าไปปฏิบัติเราจะไปอ่านรูปอะไรนามอะไรที่เรารับรู้อารมณ์พอรูปนามเขาปรากฏขึ้นให้เรารู้ได้ทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจนี่เพราะนั้นเวลาทางจมูกกลิน่นกับคานาประสาทเป็นรูปรู้กลิ่นเป็นนาม ทางลิ้นรสเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดฝาดขมนี่เป็นรูปลิ้นประสาทลิ้นนี่เป็นรูปรู้รสเป็นหนามทางกายโวดทัพระปวดทับอารม์คืออารมณ์ที่ถูกสัมผัสถูกต้องทางกายได้มีธาตุดินธาตุไฟธาตุลมดินถูกต้องกายประสาทนี่จะรู้สึกแข็งหรืออ่อนไฟจะรู้สึกร้อนหรือเย็นลมจะรู้สึกเคร่งตึงหรือเคลื่อนไหว ถ้เราสํารวมสติสัมชัญญะอยู่ที่ตัวเราพอเรานั่งปุ๊บมีการกระทบกับอ่อนหรือแข็งนั่งไปะสักครู่หนึ่งร้อนนั่งไปะสักครู่หนึ่งเมื่อยเป็นทุกข์เป็นทุกข์กละอึดอัดเมื่อยแล้วต้องขยับนิดเคลื่อนไหวนี่แหละสัมผัสถูกต้องทางกายมันมีทั้งรูปมีทั้งนามแต่ว่ารูปนี่จะเป็นประธานจะให้เรารู้ได้ชัดเลยทางใจรู้ได้ทั้งรูปทั้งนาม คร น, นี้รูปนามเนี่ยเขาปรากฏขึ้นตามทวารทั้งหกทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายทางใจแล้วเราจะต้องกําหนดรูปหรือกําหนดนามนี่มีเงื่อนไขอีกอันไอ้รูปนามเนี่ยเขาปรากฏให้เขารู้ได้ตามทวารตาหูจมูกลิ้นกายและใจแต่เวลาปฏิบัติเนี่ยการจะกําหนดรู้เนี่ยจะรู้รูปหรือรูปนามที่ปรากฏในทวารทั้งหกก็ บอกว่าจะต้องกําหนดนามหรือรูปเลยตามที่อารมณ์ตามที่อารมณ์ให้ทิฏฐิกิเลสอาศัยเข้าไปอาศัยเข้าใจว่าเป็นเราไอเราเนี่ยมันจะไปยึดรูปยึดนามขณะนี้ไอเราที่เข้าไปยึดรูปหรือนามในขณะเห็นขณะได้ยินขณะได้กลิน่นขณะรู้รสขณะถูกต้องสัมผัสขณ ะ, ขณะคิดนึกไอตัวเรามันไปยึดรูปหรือยึดนาม เป็นต้นว่ารับอารมณ์ทางตาเนี่ยรับอารมณ์ทางตาเนี่ยมันมีสีกับตากับเห็นเราสีไม่มีเราตาไม่มีเราเห็นมีไอเราเนี่ยไปยึดในนามเห็นเพราะนั้นเวลาเห็นทางตาเนี่ยต้องทําความรู้สึกตัวกำหนดนามเห็นที่ตาพอ ร, รู้สึกนามเห็นที่ตาปุ๊บมันจะตัดอารมณ์สีวัตถุภายนอกหมดรู้สึกนามเห็นที่ตา กิเลสตัณหามันเกิดไม่ได้เพราะสติปัญญาเข้าไปรู้ว่าเราความจริงวะนี่นามเห็นนะ น, นี่มันก็ตัดหมดเช่นเดียวกันได้ยินเนี่ยมันมีเสียงมีภาษาหูมีได้ยินไอ้ความสำคัญผิดว่าเป็นเราเนี่ยมันไปยึดในเสียงว่าเราเสียงหรือเราหูหรือเราได้ยินไปยึดในเราได้ยินได้ยินนี่เป็นนามเพราะนั้นทางหูนี่ต้อง กำหนดนามได้ยินเสีถ้าไม่กําหนดว่าเป็นนามได้ยินเดี๋ยวเราได้ยินเขาไอเราได้ยินนี่ก็ทิฏฐิกิเลสมันเข้าไปเข้าไปอาศัยนามได้ยินว่าเราได้ยินนี่ผิดความเข้าใจความเห็นอย่างนี้ผิดต้องแก้ให้ถูกเพราะฉะนั้นปกติเราอยู่กับความเห็นผิดอยู่ตลอดเวลาเราอยู่กับมิจฉาทิฏฐินี้เราจะเข้าไปปฏิบัติเนี่ยในทางพระาศาสนาเนี่ยคือการอบรมปัญญาเนี่ยต้องเข้าไปทําความเห็นให้ถูกตั้งแต่เริ่มต้นไปเลย พนั้นเริ่มต้นเนี่ตั้งแต่การเรียนการศึกษาเราเรียนคําสอนของพระเจ้าเนี่ยต้องเรียนให้ไปรู้จักรูปรู้จักนามไอนามคือจิตเจตสิกทั้งหมดรูปก็คือรูปยี่สิบปดรูปต้องเรียนให้เข้าถึงรูปถึงนามที่บอกว่าจะเรียนนักธรรมเรียนบาลียังไงก็ตามเถอะถ้าเรียนไม่ถึงรูปถึงนามแล้วเนี่ยมันไม่ถึงอารมณ์ของปัญญามันไปเพียงอารมณ์ของสัญญาแค่นั้นเอง จำได้ท่องสวดมนต์ได้จำได้แต่ไม่รู้ความหมายไม่เข้าใจความหมายก็นี่ปัญญามันไม่เกิดการเรียนการศึกษานั้นต้องให้เข้าถึงปัญญาปัญญาก็คือเข้าไปรู้ความจริงของรูปของนามนั่นเองเนีต้องเรียนให้ถูกปฏิบตัติต้องให้ถูกต้องให้ถูกรูปถูกนามต้องให้รู้รูปรู้นามที่กําลังปรากฏอยู่นี่เหมือนกันเรียนเรียนรูปนามเป็นอารมณ์ปฏิบัติก็เอารูปนามที่เราเรียนแลมาเอามาเป็นอารมณ์ที่ตัวเรา ก็เรียกเรียนถูกปฏิบัติถูกถ้าเรียนไม่ถูกเป็นมิจฉาทิฏฐิปฏิบัติไม่ถูกรูปครามเข้าวัดปฏิบัติที่ผิดเป็นศีลธพรมปรมาบปรามัดนี่ถ้าเราเข้าใจไม่ถูกปฏิบัติไม่ถูกหมดผิดหมดเพราะนั้นพุทธศาสนานี่ความจริงจุดที่ท่านให้เข้าใจก็จุดแคบแ ค, บ, แคบนิดเดียวให้รู้ว่าเป็นรูปอะไรเป็นนามอะไรเพราะนั้นเวลาที่เราเห็น ให้กาหนดนามเห็นเพราะสำคัญผิดว่าเราเห็นพอเป็นนามเห็นแะเราเห็นก็ออกไปเราก็ถูกขับไล่ไปไปยึดนามไม่ได้เพราะปัญญาเข้าไปรู้ว่านี่นามเห็นถ้าเราไม่ตราบใดยังไม่รู้เป็นนามก็เป็นเราอยู่เป็นเราเห็นอยู่ต่อเมื่อใดรู้ว่าเป็นนามเห็นปุ๊บไอเราเห็นก็หมดไปเช่นเดียวกันในการได้ยินทางหูได้ยินปุ๊บเราได้ยิน ให้เรามันไม่มีไอ้ตัวได้ยินนั่นน้ำโสตวิญญาณจิตเป็นผู้ได้ยินต้องกำหนดนามได้ยินเวลาทางหูได้ยินก็น้ำได้ยินผน้ำได้ยินแล้วมันจะตัดหมดเสียงนกเสียงกาเสียงคนเสียงสัตว์และตั ด, ม, ดมันรู้สึกได้ยินกันนามได้ยินแล้วมันถกคลายความเห็นผิดออกไปเวลาได้กลิ่นทางจมูกเราไปยึดอยู่เราเหม็นเราหอมไอ้เหม็นหอมนี่มันอยู่ที่รูปกลิ่น อยู่ที่รูปกลิ่นเพราะนั้นเวลารับกลิ่นทางจมูกต้องกำหนดรูปรูปรูปกลิ่นรับอารมณ์ทางลิ้นเปรี้ยวหวานเค็มเผ็ดฝาดขมเนี่ยเรารู้รสอร่อยไม่อร่อยมันอยู่ที่รูปรสเพราะนั้นถ้าเรารู้ความจริงว่านี่รูปรสมันจะตัดความรู้สึกอร่อยไม่อร่อยออกไปหมดนี่รูปรสรูปเค็มรูปเปรี้ยวรูปเผ็ดยังไงพอได้พอทนได้ เราก็รับประทานไปก็ทําอาหารเขาก็ต้องชิมจังปรุงมาแล้วอะเอาละเราเราทนได้ถ้าเราทนไม่ได้เนี่ยกิเลส ข, ของเรามันเรียกร้องก็เรียกปลิกัาปาอิทารมณิธารมคือเป็นอารมณ์ที่เราชอบใจไม่ชอบใจเฉพาะบุคคลไปอย่างเขาทําอาหารจืดคนที่ชอบเค็มรสจัดจืดจะไม่เป็นรสเป็นชาติเลยแต่คนที่ชอบรสจืดดีแล้วดีแล้ว แต่คนที่วางใจรู้รูปรดอะไรก็ได้อะไรก็ได้ไม่เดือดร้อนจะจืดจะเค็มจะอะไรก็ถ้ามันลดจัดไปแล้วก็มีข้าวก็คลุกข้าวให้บางๆสัหน่อยให้ลดอ่อนไปในตัวหรือเอาน้ําน้ําต้มน้ําแกงจืดอะไรก็คลุกข้าวไปให้ลถมันอ่อนลงไปนะแล้วก็แก้ทุกในขณะนั้นเราไม่ต้องไปเดือดเนื้อร้อนใจอะเพราะนั้นทางลิ้นจะรู้รูปรดทางกายถูกต้องสัมผัสก็รู้ แขงอ่อนเย็นร้อนเข่งตึงเคลื่อนไหวรู้รูปตกลงทางตาทางหูนี่รู้นามนามเห็นนามดีอยู่ทางจมูกทางลิ้นทางกายให้รู้รูปทางใจนี่รู้ได้ทั้งรูปทั้งนามนั่งนอนยืนเดินเนี่ยเป็นรูปพุ่งง่วงพุ่งง่วงนามง่วงนามพุ่งนามสงบจิตมันสงบนิ่งไปแล้วมันไม่รู้สึกในรูปอะไรนามพุ่งนามง่วงนามสงบนี่นาม ไอ้ตัวรู้น่ะก็เป็นนามเพราะนั้นทางใจเนี่ยรู้ได้ทั้งรูปทั้งนามรูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินเนี่ยนามง่วงนามพุ่งนามสงบนามโลภนามโกรธนามหลงอะไรรู้ไ ด, รได้รู้ได้ทั้งพวกเวทนานี่รู้ได้ด้วยนามจิตรู้ได้ด้วยนามธรรมทั้งรูปทั้งนามรู้ได้ด้วยนามแต่ทางกายเนี่ยทางกายเวลาปฏิบนะัติเนี่ยใจรู้ทางนั่นแหละ ตาหูจมูกลิ้นนั่นเป็นเครื่องรับอารมณ์แต่เวลาปฏิบัติที่จะให้เกิดปัญญานี่ต้องเอาใจไปอ่านรู้ทั้งนั้นทุกทวารทุกอารมณ์ถ้าทางตาให้กําหนดนามเห็นทางหูกําหนดนามได้ยินทางจมูกกําหนดรูปกลิ่นทางลิ้นกําหนดรูปรสทางกายกําหนดรูปแข็งอ่อนเย็นร้อนเพ่งตึงเคลื่อนไหวทางใจกําหนดได้ทั้งรูปทั้งนามรูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินเวลานิวรณ์มันเข้ามารบกวนเราแล้วง่วง ทีหนมิถานิวรณ์เกิดดูนามง่วงฟุ้งไปคิดเรื่องอื่นไปในนามฟุง้งจิตสงบไปไม่ง่วงไม่ฟุ้งแหละจะมันสงบนิ่งเฉย อ, อยู่นี่นามสงบนามสงบไม่ไม่รู้เป็นรูปอะไรเป็นนามอะไรแต่มันนิ่งเฉย อ, อยู่มีสมาธิมากไปนามสงบนี่เราเรารู้เท่านั้นแหละมันก็คลายไปเราไม่ต้องไปทําอะไรครับเราดูนามง่วงครับง่วงหายดูนามฟุง้งพุฟุ้งหยุดดูสงบปุบ๊บเดี๋ยวเรารู้สึกตัว เราก็รู้สึกตัวท้ารู้ว่าอย่านามมันสงบไปแล้วสมาธิมากรูปนามนี่เขาปรากฏขึ้นตามทวารทั้งหกนะแต่เราต้องจำกัดลงไปว่ารูปน้มที่เราจะรับรู้ได้นั้นต้องเป็นปัจจุบันอารมณ์ต้องเป็นปัจจุบนั น, จจบนธรรมคือธรรมชาติที่เขาปรากฏรูปน้มที่ปรากฏอยู่กับตัวเราก็ดีแวดล้อมตัวเราอยู่ก็ดีเขาเป็นไปในการทั้งสาม เพราะเป็นสังขารธรรมหรือเป็นสังคตาธรรมเขามีความเกิดขึ้นเป็นธรรมดามีความดับไปเป็นธรรมดาอยู่ตลอดเวลารูปนามของเราเมื่อตีห้ารูปอันหนึ่งนามอันหนึ่งหมดไปแล้วรูปนามของเราที่กําลังปรากฏอยู่ในขณะนี้เป็นปัจจุบันที่ล่วงรับไปแล้วเป็นอดีตเดี๋ยวที่จะเกิดข้างหน้าเนี่ยอีกโมงกุงอีกสิบห้านาทีประมาณสิบ น, นาทีนั้นเป็นอนาคตอารมณ์ เราไม่ใช้อดีตอนาคตไม่ใช้ให้ใช้เฉพาะปัจจุบันอารมณ์ที่กำลังปรากฏอยู่นะรูปที่กำลังปรากฏอยู่นามที่กำลังปรากฏเอามาเป็นอารมณ์แต่อารมณ์รูปอัจม์นามนี่ที่เป็นปัจจุบันอารมณ์เนี่ยไอ้รูปนี่เขาเป็นได้เพราะรูปนั้นเขาเกิดขึ้นมาแล้วตั้งอยู่ได้นานส7บเจดขณะจิตรูปยังไม่ทันดับละไอ้นามเอามาเป็นอารมณ์ได้แต่ไอ้นามที่เป็นอารมณ์ให้แก่นามนี่ ในปัจจุบันขณะเป็นไม่ได้แต่เป็นสันติปัจจุบันสันติได้พอเราง่วงไปปุ๊บเนี่ยเราตามรู้นาม่วงไอ้นาม่วงนั้นมันหยุดแล้วนาม่วงมันดับไปแล้วทีหน้ามิธะมันดับไปแล้วทันทีนั่นแหละสติปัญญาเราก็ตามอ่านนาม่วงที่ดับไปแล้วอย่างนี้เขาเรียกปัจจุบันสันติปัจจุบันสันติก็หมายถึงว่าปัจจุบันที่ รู้ทันทีทันใดที่นามนั้นดับไปแล้วเนื้อรู้ทันทีทันใดรู้ได้ทั้งรูปทั้งนามเพราะฉะนั้นปัจจุบันนี่หมายถึงปัจจุบันขณะปัจจุบันสันตติมีสองอย่างปัจจุบันขณะที่กําลังปรากฏอยู่นี่ก็ยังใช้ได้ปัจจุบันสันตติคือที่หมดไปแล้วติดต่อใกล้ชิดกันเนี่ยหมดไปในทันทีเราก็ตามรู้ทันทีนั่นแหละนี่เป็นปัจจุบันสันตติเพราะไอ้นาม นามที่เป็นอารมณ์ไอ้นามที่เราไปรู้เนี่ยกับไอ้นามที่ไปดูเนี่ยไอ้นามมันจะเกิดพร้อมๆกันทั้งเป็นตัวอารมณ์ด้วยตัวถูกรู้ด้วยไม่ได้ไอ้ตัวที่เป็นอารมณ์จนมันต้องดับไปก่อนไอ้นามหลังัถึงจะรู้ได้แต่ไอ้นามที่ดับไปก่อนทันทีไอ้นามหลังมันตามรู้ได้เขาเรียกได้ปัจจุบันสันตติเรากําลังมีความโกรธอยู่เนี่ยเรารู้ทันความโกรธไอ้ความโกรธมันดับพอดีไอ้ความโกรธนั่นแหละก็เป็นอารมณ์ เป็นเสมือนกับปัจจุบันอารมณ์เพราะมันมีในขัะที่ทันใดเพราะนั้นในการปฏิบัตินั้นจึงห้ามคิดหนึกห้ามคิดหนึงแล้วปัจจุบันอารมณ์นี่บอกว่ามีความสาคัญที่สุดเลยอารมณ์ปัจจุบันเนี่ยผู้ปฏิบัติกำหนดนามกาหนดรูปที่กำลังปรากฏอยู่เฉพาะหน้าบอกปัจจุบันอารมณ์นี่มีความสาคัญมากที่สุดในการเจริญสติปัญฐาเพราะว่า ถ้าเรารู้ปัจจุบันอารมณ์แล้วเท่ากันความยินดียินร้ายอาภิชาและโทมนัสเกิดไม่ได้รวมทั้งไปทําลายอาวิชชาทําลายความไม่รู้ไม่รู้รูป ร, รู้นามตามความเป็นจริงแล้วก็สนับสนุนส่งเป็นปัจจัยให้วิปัสสนาปัญญาเกิดแล้วก็เป็นปัจจัยต่อไปให้ไปแจ้งพระนิพพานด้วยต้องอาศัยปัจจุบันอารมณ์เพราะนั้นปัจจุบันอารมณ์นี่เราจะรู้ได้ยังไงว่าเรารู้ปัจจุบันอารมณ์ห้ามคิดนึก คิดนึกไม่ได้แต่คิดนึกแล้วไม่ใช่ปัจจุบันอารมณ์คิดนึกแล้วเป็นอดีตเป็นอนาคตไปหรือเป็นบัญญัติอารมณ์ไปคิดนึกนะ่ะจะไม่ได้ปัจจุบันอารมณ์และปัจจุบันอารมณ์อยู่ที่ไหนละ่ะอยู่ที่ความรู้สึกตัวรู้สึกว่าตัวรูปหรือตัวนามต้องรู้สึกตกวเช่นเรานั่งอยู่เราสรํารวมมีสติสามัญญาอยู่กับรูปนั่งนี่เราเข้าใจแล้ว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 สติปัญญาเราไปจับรูปที่ตั้งอยู่ในอาการอย่างนั้นเราก็จะต้องจับความรู้สึกตัวทั่วพร้อมตามอาการท่าทางที่นั่งเหมือนกันเนี่ยสติสัมผัญญาเขาจับความรู้สึกตัวรู้ด้วยความรู้สึกตัวเพราะฉะนั้นปัจจุบันอารมณ์เนี่ยเราจะรู้ได้ด้วยความรู้สึกตัวไม่ว่าจะเป็นนามเห็นหรือไม่ว่าจะเป็นรูปนั่งรูปนอนรูปยืนรูปเดินสติสัมชัญญาเขาจับได้ด้วยความรู้สึกตัวอย่างนามเห็นนี่เราหลับตาปุ๊บ ถามว่าเรารู้สึกเห็นไหมไม่เห็นเอาลืมตาซ้ลืมบั๊บมันรู้สึกเห็นที่ตาเห็นที่ตานั่นแหละนามเห็นก็เกิดขึ้นลืมตาปุ๊บรู้สึกเห็นที่ตานามเห็นเนี่ยหรือเวลาได้ยินปุ๊บเนี่ยเสียงมากระทบหูปับ๊บเรารู้สึกนามได้ยินที่หูไปแต่ถ้าไปรู้เสียงข้างนอกไปเห็นข้างนอกนะ่ะไม่ไม่ใช่ปัจจุบันแลบบ้วมาเป็นเป็นเป็ น, เ ป, น, เ, ปนเป็นภายนอกแล้วเป็นอดีตแล้ว ไปรู้ไปเห็นอารมณ์ภายนอกไปได้ยินเสียงภายนอกไปเห็นภายนอกผิดแล้วปัจจุบันจะต้องเกิดที่ตาที่หูเห็นที่ตาได้ยินที่หูเพราะฉะนั้นเราก็ต้องกําหนดการรับรู้อารมณ์รูปอารมณ์นามที่ตัวเราทั้งนั้นแหละหลุดจากตัวเราเมื่อไหร่พดปุ๊บตกจากปัจจุบันไปแล้วเหมือเราคิดฟุ้งเรื่องอื่นกล้ตกละตั้งสติใหม่ <c oughs> คิดเรื่องฟุ้งเรื่องอื่นไปตกแล้วตั้งสติใหม่เนี่ยเราต้องตั้งสติอยู่เรื่อยไป พราสตินัเนน่เป็นตัวทํางานเป็นตัวปฏิบัติสติเป็นเบื้องหน้าปัญญาก็ตามหลังและความเพียรเขาสนับสนุนให้สติสัมผััญยากเนี่ยตั้งอยู่ในอารมณ์นั้นไอยปอยให้ติดตามอารมณ์นั้นอยู่หนึ่งหนึ่งนี่ก็เป็นประโยชน์เพราะฉะนั้นที่จะใช้รูปใช้นามเนี่ยรูปนามที่เป็นปัจจุบันอารมณ์ต้องเป็นปัจจุบันอารมณ์การนี้ถามว่าปัจจุบันอารมณ์นั้นได้มาจากไหนปัจจุบันอารมณ์นั้นได้มาจากการเจริญสติปัฏฐาน เราสั่รวมได้มาจากการสั่รวมเพราะนั้นการปฏิบัติในีการสั่รวมสนี่สำคัญที่สุดสั่รวมนี่หมายถึงว่าสังวรก็ได้สั่รวมก็ได้เราให้ความใส่ใจสนใจอยู่กับรูปีิริยาบทของเรารูปเดินยืนนั่งนอนเนี่ยใส่ใจอยู่กับรูปของเราเพราะว่าพระพุทธองค์ท่านสราบว่าจริงอยู่รูปนา ม, มันปรากฏขึ้นตามทวารทั้งหก ขณะรับรู้อารมณ์ทางตาหูจมูกเล่นกายใจแต่ว่าสติปัญญาของคนทั้งหลายรู้ไม่ทันหรอกรู้ไม่ทันหรอกรูปนามเขาเกิดขึ้นอุตลุดไปเนี่ยรอบตัวเราทั้งตาหูจมูกเล่นกายใจเนี่ยสติปัญญาเราไม่คล่องแคล่วไม่แหลมคมจับไม่ได้ไล่ไม่ทันท่านจึงบอกว่าต้องปฏิบัติตามสติปัฏฐานยังไม่ต้องสนใจในรูปนามที่เกิดขึ้นทางตาหูจมูกเล่นกายใจละ ให้เอาอันใดอันหนึ่งก่อนก็ร เ, นเรากิเลสหนาปัญญาน้อยเนี่ยจะดูรูปก็ดูรูปไปก่อนนามเวทนานามจิตทั้งรูปทั้งนามอย่าพิ่งไปดูปัญญาเรายังน้อยอยู่เราฝึกหัดปฏิบัติฝึกหัดปฏิบัตินนเนี่ยก็ฝึกสติปัญญาได้แหละเพราะสติปัญญาของเราไม่เคยได้ฝึกกันไม่เคยได้ฝึกเมื่อฝึกสติปัญญาแล้วเนี่ยท่านให้เอาที่ฐานใดทานหนึง่งที่เราใช้อยู่ก็เอารูปเอากายานุปัสสนาสติปัฏฐาน เอาตรงอิริยาบทปะพะเอารูปเดินรูปยืนรูปนั่งรูปนอนตรงนี้แหละเราก็ต้องเข้าใจรูปเดินรูปยืนรูปนั่งรูปนอนใหม่ๆไม่ทันหรอกใหม่ๆพบรู้เอาเผลอแวดไปตั้งสติใหม่กําหนดใหม่เผลอแวดไปตั้งสติใหม่เผลอแวดไปตั้งสติใหม่เราต้องตั้งสติสตินี้ต้องฝึกตั้งบ่อยๆตั้งบ่อยๆครับแต่อย่าไปบังคับครับเมื่อรู้ตัวขึ้นมาก็ตั้งสติรู้ตัวขึ้นมาตั้งสตินั่นแหละเรเรียกบริหาร บริหารนามบริหารสติบริหารปัญญาเหมือนเราเต้นอาราบิกนั่นแหะบริหารกายสติรู้บ่อยๆก็บริหารใจแลให้สตินั้นมีความค่องเผลอไปอย่าไปโกรธเขาเผลอไปก็ตั้งสติเผลอไปก็ตั้งสติตสตเพราะเผลอนั้รู้แล้วสติมีแล้วแต่ยังต้องตั้งที่ไหนตั้งที่รูปที่นามนี่เป็นสติที่จะจะเป็นเหตุให้บรรลุมรรคผลนิพพานถ้าสติไม่ตั้งที่รูปที่นามแล้วไม่มีทางที่จะบรรลุมรรคผลนิพพานได้ ต้องตั้งสติที่รูปที่นามเพราะฉะนั้นเวลาเราดูรูปอิรยาบทจะเผลอไปเนี่ยเข้าไปมาใหม่เผลออุจจาระเลยง่วงบ้างเผลอบ้างเนี่ยบ่อยที่สุดเลยเราก็ต้องพยายามที่จะฝึกอบรมสติให้อยู่กับปัจจุบันอารมณ์สติอยู่ปัจจุบันอารมณ์เสมอไปนี่หน้าที่ของเราและปัจจุบันอารมณ์เนี่ยเราจะได้จะอยู่ตัวก็เมื่อนขอเขาเรียกอินทรียซังวอนอินซีซังวนี่เราสํารวมดี เรารับรู้อารมณ์นะมันมีแต่รูปตานามเท่านั้นแหละไม่ว่าทั้งตาหูจมูกเล่นกายไม่มีอย่างอื่นเลยไม่มีสมมุติบัญญัติเข้าไปเลยมีแต่รูปตานามรูปตานามรูปตานามเท่านั้นแหลในปัจจุบันอารมณ์นี้บอกว่าได้มาจากไหนก็ได้มาจากการเจริญสติปัฏฐานได้เมื่ออินทรีย์สังวรบริบูรณ์แล้วเนี่ยสติปัฏฐานเนี่ยจเจริญให้มากการสํารวมก็ดีเราจเจริญสติปัฏฐานอยู่เสมอเสมอเนี่ย สติสัมชัญญาเรามีกำลังกล้าแล้วเราสัมรวมรู้สึกตัวทั่วพร้อมอยู่สัมรวมพอจะเกิดการขยับเขยื่อนอย่างใดอย่างหนึ่งขึ้นไปปั๊บเจะเคลื่อนไหวกายไปน็นเอรู้แล้วเคลื่อนไหวไปทําไมด้วยเหตุอะไรกิเลสมันใช้หรือว่าปัญญามันใช้แต่กิเลสมันใช้นี่ไม่รู้เผลอไปแต่ปัญญาใช่ก็แก้ถูกเราเคลื่อนไหวนี่ต้องแก้ถูกทั้งนั้นแหละเพราะนั้นถึงให้มนสิการให้ให้เป็นปัจจัยแก่ปัญญา ทำอะไรก็ตามเถอะตื่นเช้าขึ้นมาต้องล้างหน้าเพื่อแก้ทุกข์ต้องเข้าห้องน้ําเพื่อแก้ทุกข์ต้องแปรงฟันเพื่อแก้ทุกข์ต้องบีผมเพื่อแก้ทุกข์ต้องทานอาหารเพื่อแก้ทุกข์ล้างจานเพื่อแก้ทุกข์เราทําเพื่อแก้ทุกข์ทางนั้นแหละต้องโยนิโสมนสิกาลการกิเลสเอาไว้การกิเลสเอาไว้ใหม่ๆก็ใหม่ๆก็ต right. ั้งตั้งจินตนาการไว้ก่อนเพื่อแก้ทุกข์ทางนั้นแหละเพื่อแก้ทุกข์เนี่ยกิเลสมันเข้าไม่ได้เพราะอารมณ์เป็นทุกข์และวกิเลสมันเข้าไม่ได้ เราต้องมานาัสิกานเพื่อแก้ทุกข์พอลืมตาก็ดูรูปนอนตื่นขึ้นมาดูรูปนอนให้รู้รูปนอนทันทีรู้ทาไมให้รู้ความจริงของรูปของนามรู้รูปนอนแล้วดูรูปนอนไปอา้าวรูปปวดท้องแล้วจะต้องเข้าห้องน้าต้องลุกขึ้นเพื่อแก้ทุกข์เสร็จแล้วต้องชําระล้างต้องล้างหน้าบนปากแปลงควานหวีผมเพื่อแก้ทุกข์ดังนั้นทานอาหารเพื่อคนแก้ทุกข์การกิเลสในความยินดีพอใจในรูปนามขันหน้าของเราเนี่ย จะเกิดขึ้นไม่ได้ถูกกันไว้ตั้งแต่เช้าลืมตานจนจนกระทั่งถึงเข้านอนเพราะนั้นหน้าที่การปฏิบัตินี่ต้องการกิเลสตลอดเวลาแต่พูดนี้พอเข้าใจแต่เวลาปฏิบัติเข้ามันไม่เคยได้ไม่เคยได้นะเพราะสติสมัชัญญาเรามันอ่อนสติปัญญาเรามันอ่อนเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเราก็ต้องไม่ให้กิเลสเข้ามาครอบงำจิตใจของเรานี่ท่านจะนบอกว่า โมขันติมารพันธนาต้องรักษาจิตของเราไว้นะอย่าให้กิเลสมันเข้ามาผูกพันได้ต้องเกิดการเจริญสติปัฏฐานนี้เครับวันนี้ก็ขอยุติเพียงแค่นี้ละเพราะความเจริญพระสุขมีปัญญาจย่ามันเกิดแก่ทุกท่านโดยทโทวกัน